ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่สิบห้าในวันนี้จะพูดก็คิดว่าให้สืบเนื่องจากครั้งก่อนครั้งก่อนได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหลักการของพุทธศาสนาโดยเทียบเคียงกับสภาพภูมิหลัง ของสังคมที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นคืออินเดียนี่ก็เห็นว่าหลักการสำคัญของพุทธศาสนานั้นก็รวมอยู่ที่ศิกขาคือการศึกษาอละ น, นี่นั่นเป็นการพูดในแง่หนึง่งเมื่อพูดในแง่นั้นแล้วก็ควรจะพูดอีกแง่หนึง่งเข้ามาเป็นการย้ำถึงเหตุผลที่พุทธศาสนาสอนเรื่อง สิกขาหรือพูดให้เต็มว่าใจสิกขานี้เป็นหลักการสำคัญนี่ก็มองในแง่ที่ผ่านมาก็คือหลักการนั้นเทียบกับศาสนาพราหมณ์ที่เขามีการนับถืออ้อนบอลเทพเจ้าทีนี้มาดูว่าหลักการนี้ที่จริงนั้นก็เป็นการสอนตามธรรมชาติของมนุษย์ในเอง เพราะฉะนั้นเหตุผลสําคัญที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องไตสิกขานี่ก็เป็นเหตุผลที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์หรือว่าพระพุทธเจ้าสอนหลักธรรมนี้ขึ้นมาก็สอนโดยถือเอาธรรมชาติของมนุษย์นี่เองเป็นพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์คืออย่างไรธรรมชาติของมนุษย์นั้นตามหลักพุทธศาสนาก็ว่าเป็นสัตว์ที่ เรียกว่าต้องฝึกแล้วก็ฝึกได้คําว่าต้องฝึกหรือฝึกได้นี้ใช้คําบาลีว่าธรรมะธรรมะทธฐานธรรมะทธฐารก็เขียนคล้ายๆกันกับธรรมะที่เรารู้กันชั่วไปว่าหลักธรรมคําสอนหรือว่า ทอทหารมหากาศมอมาสองตัวสละถ้าเป็นธรรมะที่เป็นหลักธรรมก็เพียงเปลี่ยนเป็นทอทงทอทงมหากาศมอมมาสองตัวสละธรรมะน่ก็เป็นหลักกายของธรรมชาตินี่ธรรมะทอทหารนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกอันนี้ก็เทียบกับสัตว์ทั้งหลายชนิดอื่นสัตว์ชนิดอื่นนั่น ตามปกติโดยทั่วไปแล้วก็ถือเป็นสัตว์ที่ฝึกไม่ได้คือฝึกได้น้อยไม่ใช่หมายความฝึกไม่ได้เลยฝึกได้น้อยเกิดกระทั่งการฝึกนี้ไม่ค่อยมีความหมายสําหรับการดํารงชีวิตของเขาทีนี้เขาอยู่ได้ด้วยอะไรภาษาปัจจุบันถือว่าเขาอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณสัตว์ชนิดอื่นเนืเกิดมาแล้วอาศัยสัญชาตญาณก็อยู่ได้เรียนรู้น้อยฝึกน้อย สัตว์ต่างๆเกิดมาออกจากท้องแม่เขานี่ชัว่วประเดี๋ยวเดียวเขาก็เดินได้วิ่งได้ไว่ายน้ําได้บางชนิดก็อาจจะต้องสองสมวันแต่รวมแล้วก็คือว่าเรียนรู้น้อยฝึกน้อยทีนี้ส่วนมนุษย์นั้นไม่เหมือนสัตว์เหล่านั้นมนุษย์นี้เกิดมาแล้วช่วยตัวเองไม่ได้ยังไม่สามารถดําเนินชีวิตได้ก็ต้องอาศัย พ่อแม่เลี้ยงดูซึ่งใช้เวลานานมากอาจจะเป็นไม่ใช่อาจจะเป็ น, จจปนและต้องเป็นเวลาหลายปีทีเดียวจนกระทั่งอาจจะสิบปี20ปีจึงจะสามารถดําเนินชีวิตได้ด้วยตนเองทีนี้ในระหว่างที่คนอื่นเลี้ยงดูนั้นน่ะเราจะต้องมองที่ตัวเขาว่าเขาทําอะไร ระหว่างที่พ่อแม่เป็นต้นเลี้ยงดูนั้นตัวเขาเองก็คือฝึกตัวเรียนรู้ศึกษาเขาก็เรียนรู้ฝึกขัดตนเองพัฒนาตนเองในการที่จะดำเนินชีวิตเป็นอยู่ให้ได้การเรียนรู้นี้ก็แทบทุกอย่างแม้แต่ว่าการเป็นอยู่ประจําวันในเรื่องง่ายๆกิน นอนนั่งยืนขับทายสารพัดต้องฝึกหมดต้องเรียนรู้หมดไม่ได้มาด้วยตัวเองไม่ได้มาเองโดยธรรมชาตินิ <c oughs> ่งกระทั่งในราวปีหนึ่งก็มีการฝึกเดินฝึกพูด <c oughs> ก็ต้องมีการฝึกกันทั้งนั้นนี่การเรียนรู้นี่คือคำว่าการฝึกภาษาพระ ท่านใช้คําว่าธรรมะธรรมะทอทหารมอมาสละธรรมะแปลว่าการฝึกพอเป็นคนก็เลยซ้อนมออีกตัวหนึ่งเป็นธรรมะแปลว่าสัตว์ที่ต้องสุกอันนี้คําว่าธรรมะฝึกเนี่ยก็เป็นศัพท์ที่ใช้แทนกันได้หรือใต้คิยงมากกับคําว่าศิกขาศิกขาก็แปลว่าเรียนรู้ฝึกเหมือนกัน แล้วใช้กันได้กับคําว่าพัฒนาก็แปลว่าทําให้เจริญขึ้นมาฉะนั้นเราจึงแปลกันว่าเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนามนุษย์จะเป็นสัตว์ที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาอย่างที่ว่ามาเมื่อเขาฝึกฝนพัฒนาเขาก็สามารถดําเนินชีวิตอยู่ได้แต่ก็เป็นข้อพิเศษเมื่อเราเทียบกับสัตว์อื่นก็คือว่ามนุษย์นั้นไม่ได้การดําเนินชีวิตมาปเปล่า แต่ว่าต้องลงทุนด้วยการฝึกฝนเรียนรู้ไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นที่ว่าการดาเนินชีวิตของเขานั้นได้มาส่วนใหญ่ด้วยสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นสัตว์ชนิดอื่นนั้นพอเกิดมาก็เป็นอยู่ได้ง่ายๆเรียนรู้นิดหน่อยเท่านั้นเองสกักระเดี๋ยก็ไหวยน้าได้เดินได้รู้จักหากินช่วยตัวเองได้ ถ้าในแง่ของธรรมชาติพื้นฐานอย่างนี้ก็เท่ากับมนุษย์นั้นสู้สัตว์ชนิดอื่นไม่ได้สัตว์ชนิดอื่นนั้นไม่ต้องฝึกไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องพัฒนามันก็อยู่ได้โดยสัญชาตญาณส่วนมนุษย์นั้นต้องเรียนรู้ต้องสกขัดพัฒนาจึงจะดําเนินชีวิตไปได้มีสัตว์บางชนิดที่ว่าฝึกได้โดยเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นแล้วก็ฝึกได้มากหน่อยเช่นช้างม้าลิง เป็นต้นหรือปลาโลมาอย่างนีนก็ฝึกได้มากหน่อยสามารถเรียนรู้ได้เยอะแต่ก็ไม่ขีดจำกัดไปไม่ได้ไกลแล้วข้อสาคัญก็คือฝึกตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยมนุษย์ฝึกให้ความสามารถัมาอยู่ที่มนุษย์ที่ไปฝึกให้สัตว์อีกทีหนึ่งก็ทาให้ช้างนี่สามารถลากสุงได้ไปรบทำสงครามได้ มาก็เอามาใช้เป็นพานะลิงก็เอาไปเก็บมะพร้าวให้เจ้าของสวนเป็นต้นหรือไปเล่นละครลิงก็รวมแล้วมนุษย์เนี่ยฝึกให้เท่านั้ น, น, น อ, อันนี้ก็แปลว่าสัตว์นี่เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาได้น้อยแล้วทาได้มากหน่อยก็ต้องอาศัยมนุษย์ฝึกให้ถึงจะฝึกอย่างไรก็มีขอบเขตจํากัดไปไม่ได้ไกล ก็จบกันแค่นั้นแหละจบแค่มนุษย์ใช้งานแล้วไปเล่นละครสัตว์ไม่ได้ดีไปกว่า น, นั้นทีนี้มนุษย์นี่เสียเปรียบต่อที่ว่าถ้าไม่ฝึกไม่เรียนรูก้ก็ไม่สามารถเป็นอยู่ได้ก็จึงเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกแต่ว่าในการที่ต้องฝึกนี่ก็เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ด้วยตอนที่ว่าฝึกได้นี่แหละที่สําคัญมากก็คือว่าพอฝึกแล้วก็ประเสริฐ เก่งสามารถยิ่งกับสัตว์ทั้งหลายทั่วไปสัตว์ทั้งหลายนั้นอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณแต่ว่าก็อยู่อย่างนั้นแหละจนตลอดชาติจนกระทั่งตายไปก็ย้าได้เกิดมาได้เท่าไหรก็ตายไปได้เท่านั้นไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ด้วยสัญชาตญาณของเขาอย่างนั้นตลอดชีวิตโลกของสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ในท่ากลางธรรมชาติ อยู่ตามพื้นฐานเดิมส่วนมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เพราะความที่ฝึกได้เรียนรู้ได้พัฒนาได้ก็เลยฝึกกันเรื่อยไปฝึกไม่รู้จักจบเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษก็ได้ตัวเองเรียนรู้ฝึกตัวเองให้ทําอะไรต่างๆได้จนกระทั่งว่าเรียกได้ว่าแทบไม่มีขีดจํากัดนี้พอมนุษย์เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาไปก็ สามารถที่จะมาประดิษฐ์สร้างสารวัตถุต่างๆที่เป็นของเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนกระทั่งเป็นเทคโนโลยีก็ทำให้โลกมนุษย์นั้นเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีการจัดสรรระบบสังคมความเป็นอยู่อะไรต่างๆขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมเป็นอารยธรรมก็เป็นโลกของมนุษย์ต่างหากกลายเป็นว่า เวลาเราพูดถึงคำว่าโลกนี่ก็เลยต้องแยกไปว่าเออเป็นโลกตามที่มีอยู่ตามธรรมชาติเรือโลกธรรมชาติหรือเป็นโลกที่มนุษย์สร้างสารรค์ขึ้นมาโลกมนุษย์นี้มีความพิเศษแปลกไปจากโลกของธรรมชาติเป็นอีกโลกหนึ่งเลยอันนี้มนุษย์นี่ก็ฝึกฝนพัฒนาได้อย่างที่ว่าในทางเรื่องของวัตถุก็ได้ในทางจิตใจก็มีคุณธรรมที่ประเสริฐ จงกระทั่งว่าเป็นมนุษย์ที่เราเรียกว่าดีงามยอดเลิศสูงสุดแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือปัญญามนุษย์มีปัญญาที่พัฒนาได้จงกระทั่งสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เราก็เลยตั้งเอาพระพุทธเจ้านี้เป็นแบบให้เห็นว่าบุคคลที่พัฒนาสูงสุดแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้า เนี่ยตกลงว่ามนุษย์นี่มีความประเสริฐอยู่ที่ฝึกได้นั่นการที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นี่แหละเราจึงเรียก่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไม่ใช่ประเสริฐลอยๆแต่ว่าประเสริฐที่ฝึกได้หรือว่าฝึกแล้วจึงประเสริฐก็พูดให้เต็มว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกหรือจะเติมต่อไปก็ได้ว่าถ้าไม่ฝึกก็ไม่ประเสริฐ ถ้าไม่ฝึกไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาแล้วก็จะด้อยยิ่งกว่าสัตว์ชนิดอื่นไม่มีสัตว์ชนิดใดที่แย่กว่ามนุษย์เพราะว่าสัตว์ชนิดอื่นอาศัยสัญชาตญาณอยู่ได้แต่มนุษย์นี่เพียงสัญชาตญาณก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นมนุษย์แย่กว่าสัตว์แต่ว่าเพราะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ก็เลยกลายไปว่าเมื่อฝึกแล้วก็ประเสริฐอย่างยิ่งประเสริฐจนกระทั่ง พระพุทธเจ้าให้กำลังใจมนุษย์ไว้ว่ามนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วนั้นประเสริฐแม้กว่าเทวดาและพระพรหมแม้แต่เทวดาและพระพรหมก็หันมาเคารพบูชาพระมนุษย์ที่ฝึกตนแล้วเราถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พัฒนาฝึกตนสูงสุดแล้วก็จึงใช้พระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับแล้วก็ว่าเทวดาและพรหมก็มาน้อมนับวัสการพระพุทธเจ้า จะมีคาถาแสดงความประเสริฐของมนุษย์นี้ในเรื่องเกี่ยวกับการฝึกนี้เยอะอย่างคาถาหนึ่งในธรรมบทก็บอกว่าวรมสัสสตราทันตาอาชาณิยาจินทวาคุณชาราจะมหานาคาอัตทันโตตโตวรังบอกว่าอะไรพวกอัสดรช้างมะน่ ทั้งช้างทั่วไปและช้างหลวงต่างๆเนี่ยฝึกแล้วประเสริฐนี่ยไม่ว่านี่ขนาดที่สัตว์ชนิดที่ฝึกได้นะก็ฝึกแล้วก็นับว่าประเสริฐดีใช้งานใช้การอะไได้มีความสามารถมากแต่ถ้าบอกว่าอัตทันโตแตโตวรังคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐกว่านั้นก็มาจบที่มนุษย์ว่ามนุษย์นี่แหละฝึกได้มากและประเสริฐที่สุดจริงๆ ยังกระทั่งถึงคาถาอย่างคําว่ามนุสภูตังสัมพุทธทังอัตถันตังสมาหิตังเทวาปินมัสสันติว่าพระสมมาสัพพุทธเจ้านี้ทั้งที่เป็นมนุษย์นี่แหละฝึกพระองค์ดีแล้วมีพระฤาษทยอบรมถึงที่แล้วแม้เทพทั้งหลายก็น้อนมนมัสการเนี่ยก็เป็นคาถาที่แสดงธรรมชาติของมนุษย์ด้วยแล้วก็ให้กําลังใจแก่มนุษย์ด้วย ว่าเรานี้สามารถฝึกตนให้ดีให้ประเสริฐได้อันนั้นก็หลกักพระพุทธศาสนาก็จึงถือว่ามนุษย์นั้นต้องฝึกนี่เราจะมีชีวิตที่ดีงามก็ต้องฝึกฝนพัฒนาเพราะว่าธรรมชาติของเราเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ฝึกฝนพัฒนาเราก็แย่เราก็ด้อยกว่าสัตว์ชนิ ด, ดอื่นแต่ถ้าเราฝึกฝนพัฒนาแล้วก็เหมือนกับว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นจึงกระทั่งเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเมื่อมนุษย์ ไในมองเห็นธรรมชาติเขาตนเป็นปอย่างนี้แล้วก็จะได้ตั้งจกุกตั้งใจนําเอาหลักการเราว่าธรรมชาตินี้มาใช้ประโยชน์ในการที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองดีงามประเสริฐขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วก็จะฝึกหรือเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวเท่าที่พอจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างที่กล่าวแล้วว่าการดําเนินชีวิตของมนุษย์นั้นไม่ได้มาเปล่าๆแต่ต้องลงทุนด้วยการเรียนรู้และฝึกฝน นั้นเราก็ฝึกฝนในการเดินในการกินในการพูดเป็นต้นพอเราพูดได้เดินได้เป็นอยู่ประจาวันได้เราไม่สํานึกจนหนักในธรรมชาติของเราที่ว่าถ้าฝึกแล้วจะดีงามประเสริฐเราเอาพออยู่ได้แล้วเราก็เลยหยุดเราก็หยุดฝึกหยุดเรียนรู้แค่ว่าพูดได้กินได้เดินได้อยู่ได้เพราะนั้นศักยภาพความสามารถที่มีอยู่ก็เลย ไม่ได้ผลไม่สำเร็จผลไม่ออกผลมาให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร<ม>ก็เอาแค่อยู่ได้พูดได้เป็นต้นนี่ถ้าเราฝึกต่อไปก็จะสามารถมีความประนีตของพฤติกรรมพฤติกรรมต่างๆในการเคลื่อนไหวในการเป็นอยู่ในการพูดเป็นต้นเนี่ยก็ประณีตยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ผลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถ้าเราไม่ฝึกฝนต่อเราก็ได้แค่เดินได้พูดได้แต่พอเราฝึกแล้วเดินเป็นพูดเป็นเป็นต้ น, นก็ทําให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอย่างเรามีวัฒนธรรมเป็นต้นมีมาเรื่องของมารยาทอะไรต่างๆนี่เป็นการฝึกให้มีพฤติกรรมที่ประณีตยิ่งขึ้นนอกจากพฤติกรรมประณีตยิ่งขึ้นและจิตใจก็ประณีตยิ่งขึ้นมีคุณธรรมมากขึ้นเป็นต้น แต่ที่สำคัญที่สุดก็อย่างที่กล่าวแล้วก็คือปัญญาปัญญาก็จะมีความเฉียบคมมีความลึกซึ้งมีความกว้างขวางมีความละเอียดละออยิ่งขึ้นเนะจงกระทั่งว่าอย่างรู้ถึงสัจธรรมความจริงแลงสิ่งต่างๆสามารถเชื่อมโยงเหตุปัจจัยต่างๆสามารถคิดการแก้ปัญหาสามารถสร้างสรรค์อะไรต่างๆได้ จึงได้เกิดเป็นอารยธรรมวัฒนธรรมของมนุษย์นั้นถ้าเราไม่หยุดเสียมนุษย์ก็จะใช้ความสามารถตามธรรมชาติคือการฝึกตนได้เนี่ยทำให้ตนเองกลายเป็นมนุษย์ผู้เบเสบุดเมื่อเรารู้ตระหนักในธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็เลยพยายามฝึกฝนพัฒนาตนอยู่เสมอเราก็พูดได้ว่าชีวิตของมนุษย์นั้นที่มีมาได้อยู่ได้ก็ อยู่มาได้ได้วยการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีชีวิตที่ดีงามเราก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนถ้าฝึกหัดพัฒนาเรื่อยไปก็สรุปว่าชีวิตของมนุษย์นั้นที่เป็นชีวิตที่ดีงามได้ก็ได้การเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาที่เรียกว่าการศึกษาหรือจะใช้ศัพท์พื้นฐานวัฒธรรมะก็ได้นี่เมื่อเราฝึกหัดพัฒนาไปก็เป็นสัตว์ผู้ประเสริฐ ขบวนเสด็ศาสนาก็เอาหลักการนี้มาใช้ก็ให้มนุษย์นี่ฝึกหัดพัฒนาตนเองเรียนรู้อยู่เสมอก็ใช้หลักที่เรียกว่าศึกขาแล้วก็พัฒนา3ด้านทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาฝึกหัดเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาในด้านพฤติกรรมก็เรียกว่าศีลฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจก็เรียกว่าสมาธิแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาในด้านปัญญาก็ยังคงชื่อเดิมว่าปัญญา เมื่อฝึกหัดพัฒนาไปมนุษย์ประเสริฐยิ่งขึ้นก็จะเปลี่ยนจากมนุษย์ที่เรียกว่าปุถุชนไปเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในขั้นที่มีการศึกษาหรือกําลังศึกษาก็เรียกว่าเสขาหรือเสกขาก็คือคําว่าสิกขานั่นเองมาเรียกคนศิกขาเป็นนามแสดงถึงสภาวะคือการ เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาอันนี้พอมาเป็นคนก็เปลี่ยนอีเป็นเอสิกขาก็เป็นเสกขาและทำอาเป็นอาก็เป็นเสกขะนี่คือคนที่กำลังศึกษาหรือมีการศึกษามีคาแยกผู้มีการศึกษานี่เป็นระดับต่างๆขั้นตอนเลยก็เป็นโสดาบัน แล้วก็สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าสกทาคามีแล้วสูงขึ้นไปขั้นหนึ่งเรียกว่าอนาคามีสมระดับนี้เรียกว่าเป็นเสก ข, ข่าหรือจะพูดให้สั้นเขาอีกตัดกอไปเหลือเสขะเสข่าหรือเสกขะแปลว่าผู้ยังศึกษาหรือกําลังศึกษาหรือเรียกว่ามีการศึกษาก็ได้บางครังก็ยอมลดหย่อนให้เรียกเอาผูุ้ชนที่เป็นชั้นดีผูุ้ชนชั้นดี ท่านมีศัพท์เรียกว่ากา ร, รยาณปุถุชนปุถุชนชั้นดีก็ยอมให้เป็นเสขาหรือเสษขะาได้แปลว่าผู้มีการศึกษาหรือกําลังศึกษาแต่ว่าคนทั่วไปนี่ก็เรียกว่าปุถุช น, นเฉยๆปุถุชนนี่แปลว่าคนที่ยังหนาอยู่หนาหมายความว่ายังมีกิเลสมากถ้าเป็นคนที่เป็นปุถุชนกิเลสหนามากก็มืดบอดเลยท่านเรียกว่าอันธภาและปุถุชน นั่นปุตตชนชั้นหยาบเรียกว่าอันธภาลปุตตชนแปลว่าปุตตชนผู้อันทะแปลว่าบอดแล้วก็ภาละก็แปลว่าเข่าเนีเป็นอันธพานไปทีนี้พอดีขึ้นมาก็เป็นกาลยาณปุตตชนนี่จัดเข้าในระดับของคนที่มีการศึกษาแต่ก็ยังต้องศึกษาอยู่แล้วก็ไปเป็นโสดาบาลสกทาคามีอนาคามี นี่ทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในระดับยังต้องศึกษาทีนี้พอศึกษาจบไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปก็เป็นพระอระหันต์เรียกว่าอาเสขะหรืออเสขะก็มีบุคคลระดับเดียวที่ไม่ต้องศึกษาถือว่าจบการศึกษาเรียกว่าอาเสขะคือพระอระหันต์รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยก็เป็นพระอระหันต์เหมือนกันที น, นี้ใครยังไม่เป็นพระอระหันต์ก็เลยต้องศึกษาด้วยไป นั่นอย่างพระที่บวชมานี่ก็เข้ามาเพื่อจะเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตนเองอันนี้ตราบใดที่ยังไม่เป็นพระรหันต์ก็ยังต้องศึกษาแม้แต่บวชมาห้าสบหสิปีจงกระทั่งว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นมหาเถระภรษาอาจจะเอาอยู่ถึงอายุเก้าสิบก็อาจจะภรษาก็แถวแถวเจสบก็ยังต้องศึกษาอยู่นั่นแหละไม่รู้จบ เป็นเรื่องของชีวิตของเราบอกแล้วว่าชีวิตที่ดีงามคือชีวิตแห่งการศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาต้องเรียนรู้เรื่อยไปถ้าใครไม่ศึกษาบทเป็นพระเข้ามาอายุ 70-80 ปีแล้วนะ่ยถือว่าตัวบทตรนานไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตัวเองต่อไปก็ถือว่าตกอยู่ในความประมาทนะก็ผิดธรรมะผิดผิดธรรมชาติของตัวเองแล้นั่นศึกษาก็ไม่รู้จบ เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ย่งมาระยะหลังเนี่ยมานิยมว่าให้คนต้องมีการศึกษาตลอดชีวิตพุทธศาสนาสอนมาตั้งนานแล้วถือว่าเป็นอย่างนั้นเองเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็ต้องศึกษากันไปจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้เราก็มาบอกว่าอ้าวสังคมก็ให้เป็นสังคมแห่งการศึกษาหรือเรียนรู้อ้าว พ, พุทธศาสนากสอนมาตั้งนานแล้วว่าคนทุกคนเนี่ยจะต้องศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนา ใ น, นสังคมมนุษย์ก็เป็นสังคมของคนที่เรียนรู้ศึกษาพัฒนาทั้งนั้นเวลาศึกษาพัฒนาอย่างนี้มาเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจกนกระทั่งเป็นพระอระหันเนี่ยท่าจึงถือว่าเป็นอริยชนที่แท้จริงคาเป็นอริยะหรืออริยะเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐนั้นอยู่ที่การที่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาก็เปลี่ยนใหม่จากแนวคิดของพวกอริยนัน ที่เคยพูดไปแล้วว่าพวกอารยันหรือภาษาบาลีเรียกว่าอารยกะถือตัวเองว่าเป็นพวกที่เป็นผู้ประเสริฐเป็นพวก civilized แต่โดยเป็นเผ่าพันธุ์ของเขาแล้วก็มากำหนดโดยวันนะว่าวันนะชั้นสูงคือวันนะแพทย์พ่อค้านักธุรกิจขึ้นไปแล้วก็พรามแล้วก็กษัตริย์เนี่ยเป็นหารยะอารยชน ถ้าเป็นพวกสูตรพวกจันฐานก็ไม่ไม่มีทางเป็นอารยชนได้คือความเป็นอารยชนนั้นกําหนดโดยชาติกําเนิดนี่พระพุทธศาสนาเกิดมาก็ถือว่าความประเสริฐของมนุษย์อยู่ที่การเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนที่เรียกว่าศิกขานี้เพราะฉะนั้นผู้ใดไ ด, ได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนดีขึ้นแล้วก็เป็นผู้ประเสริฐก็เป็นอารยชนพุทธศาสนาก็บอกความเป็นอารยชนนั้นมาอยู่ที่นี่แหละ โสดาบันสกทาคามีนาคามี อ, าาามอรหันนี่แหละเป็นอารยชนเราเรียกว่าเป็นอารยบุคคลเป็นภาษาบาลีภาษากฤษก็เป็นอารย์พระเทียบกันกับาศาสนาพราหมณ์สังคมอินเดียสมัยนั้นที่ว่าแบ่งคนเป็นสีวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรถือว่าสามวรรณะชั้นสูงเป็นอารยชนเป็นอารยะ แต่ในทานพุทธศาสนาบอกว่าความเป็นอริยชนไม่ได้อยู่ที่ชาติกาเนิด อ, อยู่ที่การเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาซึ่งทำให้คนเรารู้จักทํากรรมที่ดีงามเป็นกุศล mm hmm. ก็เลยจัดว่าคนที่จะเป็นอริยชนจะมาจากชนชาติวันละไหนกาเนิดยังไงก็ได้ขอให้พัฒนาตนขึ้นมาแล้วเราก็แบ่งระดับโดยถือเอาการพัฒนาหรือการศึกษานี้เป็นมาตรฐานในการวัด ก็จัดว่าบุคคลที่ได้พัฒนามาจนกระทั่งมีคุณธรรมความดีมีสติปัญญามีพฤติกรรมในระดับหนึ่งเรียกว่าโสดาบันสูงขึ้นไปเรียกว่าสกธาคามมีสูงขึ้นไปอีกเรียกว่าอนาคามีและสุดท้ายเรียกว่าอารหันนี่แหละคนที่เป็นอย่างเี้ยจะเป็นใครก็ได้นก็จะเป็นอารยชนเป็นอารยบุคคลที่แ ท, ท้จริง นั้นสับเก่าๆของศาสนาพราหมณ์เราก็มาใช้ในความหมายให ม, ใหม่แม้แต่คําว่าพราหมณ์เองที่เขาบอกว่าเป็นผู้ประเสริฐองศาสนาก็มาใช้เรียกพระอรหันต์ว่าเป็นพราหมณ์เป็นเพราะพราหม์ของเขาเป็ผู้ลอยบาปแล้วแต่เขาไปลอยบาปในแม่น้ําคงคาพราหมณ์นี่เขาเวลาเขาจะลอยบาปเขาไปลงในแม่น้ําคงคาแล้วก็ แม่น้ําคงคาก็ผ่าบาปไปหมดล้างบาปนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเอ๊ะถ้าแม่น้ําคงคามันล้างบาปได้เนี่ไอเต่าปลาปูหอยที่อยู่ในแม่น้าําคงคามันก็หมดบาปก่อดพวกพรามสิอ่างนั้นนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าน้ํามันพ่าบาปไปไม่ได้หรอกนะถ้ามันพ่าบาปไปได้มันก็พาบุญไปด้วยอย่างนั้นนะตอนนั้นก็นนเลยพระองค์บอกว่า นะการลอยบาปมันอยู่ที่นี่แหละการฝึกฝนพัฒนาตนเมืนะ่อเราพัฒนาตนดีขึ้นมาแล้วเราก็เป็นผู้หมดบาปนะเป็นผู้หมดบาปลอยทั้งบุญทั้งบาปเลยพระพุทธเจ้าเอางั้นพระก็ตั้งใจจะลอยแต่บาปทีนี้พระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องหมดไม่ต้องเป็นลอยเฉพาะบาปลอยให้หมดลอยทั้งบาปทั้งบุญเลยนะอันนั้นก็เป็นพระอราหารนันนิพนธ์ทั้งพ้นจากทั้งบุญทั้งบาป พ้นหมดเลยสู่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงก็เราก็เลยบอกว่าพรามที่แท้เนี่ยคือพระอรหันต์เป็นใครก็ได้จะอยู่ในวันณะไหนก็ได้ขอให้ประพฤติปฏิบัติฝึกฝนพัฒนาตนแล้วก็เป็นพรามและเป็นพรามที่แท้จริงด้วยวันนี้ก็คิดว่าคงจะพูดกันเท่านี้ก่อนให้เห็นว่าหลักการของพุทธศาสนาเรื่องตสิกขานี้ยก็ เป็นการสอนที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของธรรมชาติคือธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาจึงจะมีชีวิตที่ดีงามได้เน่ก็ถ้ามนุษย์มาตระหนักสำนึกในธรรมชาติของตนอันนีน้แล้วก็จะได้ปฏิบัติตนให้เป็นไ ป, นปนตามธรรมชาติของตอนเองใช้ความจริงตามธรรมชาตินี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็กลับทําให้ชีวิตของตอนได้ดีงามประเสริฐอย่างที่กล่าวมา วันนี้ก็ขอพูดยุติกันไว้เพียงเท่านี้ก่อน